อ่าตอนนี้ญาติโยมก็เข้ามาแล้วเนาะอืมค่ะกลับสวัสดีนะคะลิเชเนอร์ทุกท่านคะ่ะวันนี้หลวงพ่อก็เดิมตั้งชื่อเรื่องจำไม่ได้แล้วแต่ทีนี้มันเอาที่ใจพอตรงไหนมันเด่นหลวงพ่อก็เปลี่ยนเรื่องเลยได้ค่ะเอานับตอนนี้แล้วค่ะดีที่สุดอะไร <c oughs> ที่มันผลขึ้นในใ จ, ใ น, ใจนะในในความรู้ <ใจ S 2> สึก<ช>ว่าอืมตัวนี้แบบเออมาแรงมาแรง ก็อหยิบตรงนั้นขึ้นมาเลยค่ะดีมากเลยค่ะนับปัจจุบันดี่สุดเลยค่ะเพราะมันมีอย่างคำว่าใจนะคำว่าใจเนี่ยในอายตนะก็พูดถึงเรื่องใจเช่นหูตาจมูกลิ้นกายใจตรงเนี้ยมันก็เป็นซึ่งโอเคแหละใครๆก็รู้ได้ว่าอายตนะภายในมีมีหกแต่ทีนี้ใจที่หลวงพ่อจะพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่อายตนะตัวนี้ แต่บังเอิญชื่อเราก็สมมติชื่อมันไปซ้ํากันเนาะหลวงพ่อก็เลยเติมคําว่าใจแท้เพิ่มเติมขึ้นมาอืไม่อย่างนั้นมันก็สับสนเพราะว่าภาษาไทยบางทีมันมันอาจจะซ้ํากันได้แต่ว่าแก่นหมายถึงว่าตัวสภาวธรรมเนี่ยมันคนละคนละตัวกันคก็หลวงพ่อก็ดูดบางทีมันก็สับสนเหมือนกันนะ เพราะว่าเป็ใช้ภาษาบัญญัติอะนะคะใชใช่ไม่เป็นไรคะ่ะทีนี้พอใ ห, ให้พวกเราเนี่ยที่เข้ามาก่อนแล้วทําความเข้าใจก็คือว่าที่หลวงพ่อจะพูดเรื่องใจแท้เนี่ยมันไม่ใช่ใจนะส่วนสิ่งที่เกิดดับในใจเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าทุกคนเข้าใจได้อยู่แล้วเพราะความรู้สึกสุขทุกข์ใช่ไหมเออความรู้สึกโลภโทสะโมหะมันก็เกิดขึ้นในใจ รวมถึงอารมณ์อื่นๆซึ่งเราอาจจะไม่รู้จักชื่อแต่มันก็เกิดในใจนั่นแหละ <Okay. S 2> แล้วก็จากประสบการณ์ของผู้ที่จริงๆเนะี่ยผู้ที่ไม่เรียนธรรมะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในใจมันก็เกิดดับมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาเขา้เขาไม่ได้สังเกตแล้วเขาก็ไม่รู้จักนะ <Okay. S 2> แต่แต่ทีนี้นักนักปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าชี้ให้เห็นว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนี่ย มันเกิดดับอยู่แล้ว mm. เขาก็จะฟังง่ายเพราะว่าเขาสามารถย้อนหลังในอดีตก็ได้ว่า <Yeah. S 1> เออเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะเป็นความโกรธความรักความชังอะไรเนี่ยมันก็สลับหน้าไปเรื่อยคือเปลี่ยนมาตลอดก็ <Yeah. S 1> ออจะเห็นได้ง่ายทีนี้พอพอเรารู้จักตรงนี้แล้วมันก็ไม่ยากในเรื่องของความเกิดดับในใจว่าเอออะไรที่เกิดขึ้นในใจล้วนแต่ดับหมดดับหมดแต่มันก็เกิดอยู่บ่อยแล้วก็ดับบ่อย แต่มันคนละขณะจิตกันนะทีนี้พอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะคุยไม่ยากแล้วเพราะว่าก็มันมีของให้ดูให้เห็นอยู่เป็นประจักษ์รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วสวัสดีเชิญ น, นะคะถ้าเกิดว่าลิเชเนอร์อท่านใด น, นะคะสามารถยกมือได้นะคะขึ้นมาพูดคุยกันนะคะคลาสนี้เ t i o ซชัน <c oughs> นี้นะคะเราเราแลกเปลี่ยนนะคะ มีอะไรครับสามารถจะออสอบถามหรือว่าเคุยสภาวะอะไรอย่างนี้กับหลวงพ่อได้เลยโดยตรงนะคะต้องบอกว่าท่านเมตตามากๆเลยนะคะที่แล้วหนูหนูก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเจอท่านนะคะแล้วก็สามารถเแบ่งปันเรื่องตรงนี้เนี่ยค่ะซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะแล้วก็ไล่มากจนบางทีเราลืมไปค่ะนะคะค่ะเดินเชิญ น, นะคะอ แล้วก็จะคุยไปเรื่อยๆว่า <c oughs> อย่างสมมุติจากนี้ไปเนาะเราจะคุยแต่เรื่องสิ่งที่เกิดในสิ่งที่เกิดดับในใจนะจะคุยเน้นในเรื่องของสิ่งที่เกิดดับก่อนส่วนใจแท้เนี่ยเอาไว้ตอนท้ายๆเอาไว้ตอนกลางๆหรืออะไรเนี่ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราพูดในเรื่องเนี้มันจะอยู่ในกรอบหมายความว่าไม่ได้อิงตำราไม่ได้อิงความรู้จากใคร ไม่ได้เอาของใครมาพูดแต่เป็นเรื่องที่พิสูจน์ด้วยตนเองว่าสิ่งที่เกิดในใจมันมีอยู่มันมีอยู่ซึ่งรู้ได้อยู่แล้วทีนี้ถ้าสมมุติว่าผู้ฟังรู้ไม่ได้เราก็ต้องยกตัวอย่างขึ้นมาเนาะพอยกตัวอย่างเนี่ยมันจะรู้ง่ายมากเลยว่าอ๋อเออสิ่งนั้นมีอยู่หรือมันไม่มีก็จะรู้ได้อย่างสมมติตอนนี้หลวงพ่อจะยกตัวอย่างว่าความโกรธนะตอนนี้เดี๋ยวนี้ขณะเนี้ย ถ้าสมมติมันมีความโกรธในใจเนี่ยมันไม่ต้องถามใครว่ามีไหมถูกไหมแล้วก็อย่างตอนนี้นะถ้าสมมุติความโกรธไม่มีก็รู้อยู่ได้ว่าเออความโกรธไม่มีเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะคุยในเรื่องเรื่องปัจจุบันแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยซึ่งขอพักเรื่องตำราเรื่องความรู้นอกตัวไปก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมันจะไม่เข้าใจในเรื่องความเป็นจริงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ก็ออจะเน้นตรงนี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแหมคุย okay, ไม่ได้เลยได้นะแต่ว่าเราก็มาเหมือนกับว่าให้อยู่ในกรอบตรงนี้ก่อน <zil. S 1> เพื่อจะได้เข้าใจเรื่องของสิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับในใจว่ามันมีแล้วก็หมดไปมีแล้วก็หมดไปแล้วก็สิ่งที่เกิดในใจเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยู่ๆแล้วมันจะเกิดขึ้นเองเนาะไม่ใช่อยู่ๆแล้วมันจะดับขึ้นเองมันมีเหตุให้เกิดมันก็ต้องเกิดไม่มีเหตุให้เกิดมันก็ไม่เกิดเช่นเช่นเช่นนะ สมมติว่านี่แค่สมมตินะสมมติว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้หลวงพ่อก็ชื่นชมกับทุกคนที่อยู่ในห้องเนะว่าเออเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ดีเนาะมาสนใจธรรมะมาฟังกันโอ้ยน่าอนุโมทนาสาธุทีนี้พอพวกเราได้ยินได้ฟังคำประเภทอย่างนี้มันโกรธไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นมันเป็นธรรมะฝ่ายก็เรียกว่าฝ่ายกุศลเนาะเออพูดดีพูดดี พอพูดดีเสร็จมันก็เป็นธรรมะฝ่ายกุศลจิตใจมันก็รู้สึกอืมรู้สึกแบบยินดีเนะยินดีที่ได้พูดอย่างเนี้ยมันไม่มีใครโกรธหรอกอ่อเพราะฉะนั้นทําไมจึงรู้สึกว่าเออยินดีรู้สึกว่าดีก็เพราะมีเหตุเราพูดดีนะพอเราพูดดีอย่างนี้ก็แน่นอนอ่นะจิตมันก็รู้สึกในทางที่ที่ดีแต่ถ้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อกับกันหลวงพ่อไปพูดแบบโอ้ยพอเข้ามาในห้องปับ๊บลุยเลยด่าใส่ไฟเลยด่า อันนี้มีเหตุก็คือพูดคําด่าแบบนี้ซึ่งเป็นอากุศลเนาะจิตใจมันก็อาจจะมีโทษอ่าไม่ชอบมีโทสะมีอะไรอ่าตรงนี้ชี้ให้เห็นว่าไอความความรู้สึกดีกับความรู้สึกไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่ามันอยู่ยๆมันจะเกิดได้มันต้องมีเหตุก่อนแล้วจึงผลจึงเกิดเป็นอย่างนี้พอเกิดผลเสร็จแล้วผลนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดไอตัวถัดไปต่อไปเรื่อย ๆ, ๆ เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมาแต่เหตุหมดเนาะทีนี้เหตุเนี่ยเราก็ต้องสังเกตด้วยตัวเองนะไรว่าอ๋อก่อนที่จะรู้สึกดีใจมันมีอะไรอยู่ข้างหน้าก่อนนะก็จะเห็นย้อนหลังขึ้นไปว่าอ๋อเพราะมีคําพูดอย่างนั้นแล้วจิตใจมันก็ชอบนี่มันเป็นธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติที่รู้สึกชอบอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ให้ผลอย่างนี้แต่ถ้าพูดไม่ไดีอ๋อจิตใจมันก็ไม่ชอบเหมือนกันจะให้ใครว่าใครดา่ามันก็มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างนี้อย่างนี้ เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจมันดูได้ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเมื่อมันปรากฏขึ้นมันก็ย่อมรู้ได้ด้วยใจอยู่แล้วพอสิ่งที่เกิดขึ้นมันดับไปก็ย่อมรู้ได้ด้วยใจอยู่แล้วมันแบบง่ายง่ายง่ายๆอย่างนี้เดินเชิญนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการจะพูดคุยนะคะแลกเปลี่ยนหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็เดินเชิญได้ค่ะ หรือว่าจะมาเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่ามาทางสายไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วทางทุกสายอะค่ะก็ไปในทางเดียวกันเที่แต่ว่าเราจะเหมือนการการเดินทางนะคะก็มีจุดหมายปลายทางเหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าคนคนั้นจะเลือกเดินทางรถไฟเครื่องบินจั ก, กรยานอะไรก็ตาม ค่ะหรือแต่เชื่อ ว, ว่าคนที่อยู่ในห้องทุกท่านน่าจะไหนกเ็เดินทางมาเชี่ยวชาญแล้วนะคะถ้าพูดถึงคําว่าปลายทางถ้ามันมันเมื่อถึงบางคนหมอยถึงแล้วหรือไม่ถึงอะไรยังไงจริงๆแล้วตรงจุดนี้ น, นะคะก็เดี๋ยวอาจจะให้หลวงพ่อท่านขยายอีกทีนะคะว่าในคําว่าปลายถ้ามันยังมีปลายทางมันมีเป้าหมายอะไรแบบนี้ มันคืออะไรยังไงหรือท้ายที่สุดแล้วคือยังไงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนะคะเราก็สามารถนนที่จ ะ, ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่านมั ส, สการครับหลวงพ่อครับคือผมจะขออนุญาตมามาแชร์แล้วก็ขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเพิ่มเติมนะครับคืออ่าช่วงช่วงหลายวันที่ผ่านมาอ่าผมผมก็ มันพิจารณาสภาวะความตายนะครับพิจารณาบ่อยๆบ่อยๆเจอแนงมันก็แนงแนงดูตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันก็น่าเศร้านะครับเหมือนเกิดความรู้สึกสลดสังเวชนะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเออมันโลกใบนี้มันเอาเข้าจริงอ่ะสิ่งที่เรารับรู้ทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับมันมันไม่ใช่ความจริงเลยเราแกนสารของ สรรพสัตว์ทั้งปวงมันก็ไม่มีความจริงหมดเลยมันมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแล้วไม่สามารถจะคว้าจับได้แต่มันก็เกิดความเศร้าขึ้นมาว่าเอา้าแล้วถ้าตายไปแล้วเนี่ยจะไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้จะจะเกิดเป็นอะไรอยู่ยังไงอะไรเงี้ยครับพอมันเห็นตรงนี้ปุ๊บมันรู้สึกว่าอ๋อก็เพราะว่ามันยังยึดจับว่าเราตายอยู่ถ้าไม่ถ้าโดยความเป็นจริงแล้วถ้าไม่มีเรา ความเป็นจริงแล้วมันไม่มีเราตายแต่ว่าความไม่รู้ที่มันพยายามกาะจับกับความเป็นเราอยู่นั้นนะครับมันทำให้เกิดสภาวะเดเรเกิดความหลงยึดกับอารมณ์ที่มันรู้สึกกดหูกับการเวียนเกิดไปเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี mm ้ย hmm. พอมันเห็นเงนื่นเพิ่มมันก็อ๋อจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเราเนาะธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเอง ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่อาจจะคว้าจับได้มันก็ผ่านติ้งผ่านติงไปครนี้ก็เห็นน้องหมาวิ่งมาก็รู้สึกว่าเออจริงๆแล้วโดวยความเป็นน้องหมามันก็ไม่ได้มีนะอย่างนี้นี่เองกำลังที่รู้สึกว่าที่กล่าวว่าแม้แต่ความเป็นสรรพสัตว์จริงๆมันก็ไม่มีมันก็แค่ใจดวงนี้ที่หลงไปอะไรเงี้ยครับแต่โดยโดยโดยทั่วไปโดยทั้งหมดแล้วอะครับมันก็จะเป็นสภาวะอย่างที่หลวงพ่อ พยายามชี้ให้เห็นว่ า, ามันมีสภาวะเราไปเป็นกับรู้เราที่เห็นสังขารปรุงแต่งไปไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังสลับไปสลับมาไม่ได้แบบว่าขาดชั่วแบบเออไม่ได้มีเราอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ห ล, ลงสลับไปอย่างนี้ครับก็เลยาการเรียนแจ ให้หลงพอฟังเปื่อหลวงพ่อจะชี้เนี่ยเพิ่มเติมหรือว่าเป็นจุดขยายของการสนทนาครับที่พิจารณาอย่างนั้นนะั่นะมั น, ม, นมันก็ถูกแล้วหละถูกแล้วก็เพื่อให้เห็นสัจจความจริงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอย่างที่เล่ามาเนาะมันเป็นแค่สิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไปนะมีสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วก็หมดไป มันก็มีแค่นี้เองสิ่งที่ปรากฏขึ้นแล้วหมดไปเนี่ยถ้าสมมติเราจะศึกษาในเรื่องในใจก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะง่ายเพราะว่ามันเป็นเพราะว่าการศึกษาในใจเนี่ยมันดูง่ายเพราะว่ามันอยู่มันอยู่ในตัวมันอยู่ในใจนะแล้วสามารถรู้ได้เองด้วยว่ามีสิ่งว่ามันมีสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็เวลามันหมดไปก็รู้เองว่ามันก็หมดไปพอเราเห็นสิ่งที่เกิดดับในใจแล้วเนี่ยมันจะขยายออก สิ่งที่อยู่นอกใจได้ไม่ยากเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดดับในใจเนี่ยมันกำลังสแสดงสัจจะความจริงนะมันมีการเกิดแล้วก็การดับซึ่งประจักษ์แจ้งแก่ผู้ผู้ที่มีเ อ, อ่อ เ, เรียกว่ามีสติปัญญาที่จะเห็นยา่างเ อ, อ่อจะเห็นได้อย่างแบบแบบถูกต้องเลยว่าโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในใจเนี่ยเกิดเร็วดับเร็วด้วยพอเราเข้าใจสิ่งที่เกิดดับในใจเสร็จแล้วเนี่ยขยายความรู้เนี่ย ไปพิจารณาสิ่งอื่นไม่มันง่ายมากเลยเพราะว่ามันรู้มันได้ต้นทุนมาแล้วว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นพอจะพิจารณาสิ่งที่อยู่นอกนอกใจเช่นกายนะร่างกายหรือว่าอาการเวทนาทางกายอย่างเนี้ยเราก็จะสัมผัสได้ว่าอ๋อไม่กระทั่งกายก็ยังมีการเคลื่อนไหวมีการเสีย่ยนเปลี่ยนสภาพไปเรื่อยเลยเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็ยืนนะแล้วก็เออ ความรู้สึกในกายเช่นเป็นความเวทนาเนาะเป็นความเจ็บความปวดความเมื่อยเอา้ามันก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเขาเรียกว่าดับอืเพราะฉะนั้นกายนี้มันก็แสดงความไตรลักษณ์ให้เห็นเหมือนกันทีนี้ถัดออกจากนอกตัวนอกตัวเราเลยนะตอนเนี้ยก็จะเห็นสภาพธรรมชาติเนี่ยที่เป็นต้นไม้ภูเขาที่เป็นสัตว์ทั้งหลายอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลย ตรงนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญญาอย่างเจีมแจ้งก็คือว่ า, ไ ม, มมา ไ, มไม่มีสิ่งใดที่เกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนไม่มีสิ่งใดที่เกิดมาแล้วไม่ดับไปมันก็จะเข้าใจด้วยปัญญาแบบรวบยอดไปเลยว่าเอา้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีแต่สิ่งเกิดแล้วก็สิ่งดับสิ่งเกิดสิ่งดับแล้วสิ่งที่เรียกว่าสิ่งเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นสัตว์มันเป็นธรรมชาติเลยเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับนะมันไม่มีตัวตนเลยนะในธรรมชาติเนี่ย ทีนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ยเข้าใจเรื่องมาจากใจอจากสิ่งที่อยู่ในใจเนาะแล้วออกไปข้างนอกโอ้ตรงเนี้เขาเรียกว่ารู้โลกโลกก็คื อ, อสมมติโลกก็คือขันห้าก่อนกนะ็คือตัวเราเนี่ยเป็นโลกก็รู้แจ้งแล้วว่าโอ้ในตัวเราทั้งตัวทั้งกายทั้งทั้งจิตนะล้วนแต่อยู่ภายใต้ของความไม่เที่ยงคือเกิดดับหมดไอ้นี้โลกที่เป็นตัวเราไอ้โลกที่อยู่นอกตัวเราไอ้นี้ก็เรียกว่าโลกได้เหมือนกันมันก็อยู่ภายใต้กฎเดียวกันคือ มีแล้วก็ต้องเปลี่ยนมีแล้วก็ต้องหมดไปนะเมื่อเป็นอย่างเงี้ยจึงเรียกว่ารู้คือรู้หมดเลยรู้ในลักษณะว่าธรรมชาติเนี่ยสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องเปลี่ยนแปลงต้องนั้นต้องดับไปไม่ต้องรู้เรื่องอื่นหรอกรู้แค่สิ่งเกิดดับแล้วรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราแค่เนี้ยก็จะคลายทุกข์ออกไปโอ้โหออกไปเยอะมากเพราะว่ามันจะคลายความยึดมั่นถือมั่นมันจะคลายความยึดถือ เพเมื่อก่อนไม่ได้มีปัญญาแบบนี้เนาะเมื่อก่อนคิดว่าไอสิ่งที่เกิดก็เป็นเราไอสิ่งที่เปลี่ยนไปก็เป็นเราไอสิ่งที่ดับไปแล้วก็เป็นเราคือมันไปยึดเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราหมดเลยแต่ถ้ามีปัญญาขั้นเนี้ยรู้แจ้งรู้แจ้งเห็นแจ้งแบบเนี้มันจะเข้ามันจะเข้าปัญญาปัญญานี่แหละจะพาให้พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นที่ที่ที่โยมโยมพูดมาสักครู่เนี่ยก็คือก็ถูกต้องแล้วคือเห็นสิ่งเตือนสิ่งดับเนะ แต่มันยังต้องมีอีกที่ต้องพิจารณาอีกบางสิ่งเนี่ยยังเป็นเขาเรียกว่ายังรู้ยังไม่รู้ยังรู้ไม่ได้อยู่เดี๋ยวค่อยค่อยคุยไปแล้วก็จะรู้ต่อยอดไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุยก็คือรู้ในสิ่งที่รู้แล้วแต่มันยังมีบางสิ่งที่ยังไม่รู้สิ่งที่ยังไม่มันมีอยู่แต่ยังไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าตรงเนี้ยังเป็นเอาวิชาอยู่แต่ค่อยค่อยคุยไปแล้วก็จะจะเห็นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอหลวงพ่อก็คง อธิบายในจุดตรงนี้ก่อนเผื่อใครจะจะถามหรือว่าจะบอกประสบการณ์อะไรก็ก็เชิญ น, นะค่ะสาธุค่ะเรียนเชิญ น, นะคะค่ะสาธุกับคุณดำมะด้วยนะคะคุณชันค่ะค่ะสวัสดีอ่าลิเชน่าที่เข้ามาใหม่ด้วยนะคะอ่าถ้ายังไม่มีพูดยังไม่มีใครพูดนะหลวงพ่อก็นึกได้หลวงพ่อก็จะพูดต่ออีกหน่อยหนึ่ง การดูสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นในใจนะให้เห็นความเกิดดับเนี่ยมันมีวิธีดูที่ถูกต้องคือที่ผ่านมาเนี่ยการดูเนี่ยที่เรียกว่าดูจิตก็ได้เนาะเออบางทีก็บอกว่าดูจิตดูจิตก็คือดูสิ่งที่มันมันมีการเกิดมีการปรากฏนะแล้วก็ดับไปที่มันอยู่ในจิตอันนี้เราไม่ได้ดูกายแต่วิธีดูที่ที่ผ่านมาเนี่ยคือมือใหม่เนี่ยแน่นอน จะต้องเอาตัวเราไปดูนะตัวเรานี่แหละ ต, ตั้งเขาเรียกว่าปรุงแต่งขึ้นมาให้มีตัวเราเป็นผู้ดูแล้วก็พอมีตัวเราเสร็จแล้วก็การดูเนี่ยก็คือเพ่งนะก็ปั้นปรุงแต่งขึ้นมาเป็นผู้เพ่ง mm hmm. เพ่งที่จะให้เห็นนะเพ่งที่จะให้เห็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในจิตในใจนะวิธีอันนี้มันเป็นแน่นอนคือคนใหม่เขาไม่รู้นี่เขาไม่รู้วิธีพอเขาบอกว่าดูจิต นีมีการปรุงแต่งสร้างตัวตนขึ้นมาเป็นผู้ดูแต่เขายังไม่รู้หรอกว่าเขาสร้างตัวตนขึ้นมาจนกว่าจะนูน่นต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งหรืออาจจะได้รับคาแนะนำจากครูบาอาจารย์ว่าเ อ, อยังยังผิดนะยังดูผิดอยู่เพราะว่าเอาตัวเราไปดูแต่ถ้าดูให้ถูกจริงๆเนี่ยมันไม่มีตัวเราเป็นผู้ดูแต่มันมีการรู้มันเป็นการรู้อ่าตอนนี้จะโยงถึงใจแล้ว เขาเรียกว่ามันจะรู้ด้วยใจนะซึ่งใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนอะไรใจเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้นะที่มีอยู่แล้วนะใจเป็นธรรมชาติรู้ที่มีอยู่แล้วพร้อมกับชีวิตนะใจเนี่ยก็สามารถรู้สิ่งที่เกิดดับในใจได้นะการดูของใจเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราดูถ้าเราดูเนี่ยคือมีตัวเราเป็นผู้ดูแล้วก็อาจจะก้หมหัว มุดหัวเข้าไปเพื่อเพ่งไปดูดูในใจอะนะออพฤติกรรมของคนดูจิตลองสังเกตไหมละ่ะพอก็บอกดูจิตปับ๊บนั่งปิดตาปี๋เลยแล้วก็เอาหัวมุดก้มไปนิดนึงอ่าก้มเพื่อที่จะดูเห็นไหมพฤติกรรมตรงนี้ไอเ น, นี้ยไม่ใช่ใจแต่เป็นมันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งก็คือปรุงแต่งกายนะปรุงแต่งกายคือหัวเนี่ยก้มก้มลงไปดูจิตแต่ถ้าถ้าดูด้วยใจเนี่ยหรือรู้ด้วยใจเนี่ยนะมันไม่มีการก้มหรอก เพราะก้มนี่ก้มนี่คือร่างกายใช่ไหมแต่ใจอ่ะถ้ามันรู้ด้วยใจน่ะมันไม่มีท่าทางไม่มีการิยาการดูแต่มันรู้ได้เลยว่าอะไรเกิดขึ้นในใจอ่าเช่นยกตัวอย่างนะเวลามันมีโทสะเกิดขึ้นในใจเนี่ยนะโทสะคือเป็นสิ่งที่เกิดในใจนะแต่ใจเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้ดูเพราะฉะนั้นใจจึงไม่ใช่โทสะ นึกๆออกนะต้องต้องหัดแยกตรงนี้นิดนึงก่อนว่าอ๋อโทสะคือสิ่งที่เกิดในใจแต่ใจมันก็เป็นธรรมะอี ก, อกสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ใช่โทสะแต่ใจเนี่ยมันมีความรู้พอใจมีความรู้เริ่มแรกหลวงพ่อเสริมเพื่อให้กระชับนะคือใจเนี่ยต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติใจมันก็ตื่นรู้ไม่ได้เนาะถ้ามีสติใจก็จะตื่นรับรู้ถึงโทสะที่เกิดขึ้นแล้ว ก็จะหมายถึงว่าปัญญาเนี่ยสามารถแยกเป็นว่าอ๋อโทสะก็เป็นธรรมะอย่างหนึง่งใจก็เป็นธรรมะอย่างหนึง่งมันคนละคนละตัวกันคนละอย่างกันแล้วใจเนี่ยเขามีคุณนะัสมบัติของใจก็คือรับรู้อารมณ์นะเมื่อโทสะเกิดขึ้นใจก็รู้เพราะฉะนั้นพฤติกรรมของการดูพฤติกรรมของการรู้ด้วยใจเนี่ยไม่ใช่ว่าก้หมหัวมุดเข้าไปเพื่อที่จะดูอันนั้น่ะมันจึงผิด แต่ถ้าดูถูกก็คือดูรู้หมายถึงว่ารู้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจอย่างถูกต้องนะจะต้องไม่มีเจตนาที่จะรู้ไม่มีเจตนาที่จะดูแต่มันรู้โดยอัตโนมัติทีนี้ที่หลวงพ่อพูดแบบนี้ก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้จักว่าคราวใดก็ตามที่มันมีการจงใจเจตนาพยายามพวกเนี้ยอันเนี้ยไม่ใช่รู้ด้วยใจให้รู้จักเอาไว้นะว่า การที่จงใจพยายามเจตนาอันเนี้ยให้ให้เข้าใจไว้เลยว่ายังไม่ใช่เป็นการรู้ด้วยใจแต่ถ้ารู้ด้วยใจคือใจจะต้องรู้ด้วยตัวเขาด้วยตัวเาเองคือหมายความว่าใจเนี่ยไม่มีเจตนาที่จะรู้แต่พอโทรศัพท์เกิดปับ๊บใจรู้อาโต้เลยนะไอเ น, นี้ยคือให้ให้เป็นที่สังเกตเพื่อจะได้รู้จักว่าเออเวลาปฏิบัติเนี่ยมันเจตนาหรือจงใจ แต่ทีนี้เมื่อเข้าใจเรื่องเจตนากับไม่เจตนาแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะแยกแยะได้ว่าเวลาเจตนานะเวลาเจตนาจะดูจิตก็จะใจเนี่ยก็จะรู้ได้ว่ามีเจตนาแล้วไอ้ใจที่มารู้การเจตนานั่นแหละคือใจใจคือเป็นการรู้ของใจจริงๆมารู้ว่ามีตัวเราเนี่ยเป็นผู้เจตนาเห็นไหมมันต่างกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเราเจตนาแต่เราไม่รู้ว่าเราเจตนา แต่ที่หลวงพ่อพูดมาขั้นนี้หมายความว่าพอเราเจตนาปับ๊บใจมันรู้เลยว่าเราเจตนาเห็นไหมไอใจที่มันมารู้เราอ่ะตรงนั้นแหละมันไม่เจตนาแต่มันรู้รู้โดยโดยธรรมชาติของใจเออเพราะฉะนั้นเวลาภาคปฏิบัติเนี่ยมันทั้งมีเจตนาทั้งไม่มีเจตนายกตัวอย่างเช่นพอเราไปอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์นะไอตอนแรกก็คุยกันอยู่ดีดแหละคุยยังไม่คิดจะดูใจก็คุยเป็นปกติเนี่ย แต่ก็ยังอาจจะรับรู้ถึงอารมณ์ได้ว่าเออรู้สึกตอนนี้อาจจะพอใจไม่พอใจรู้ได้อัตโนมัติแล้วพออาจารย์บอกว่าอ๋ออ๋ อ, อไหนลองทำออดูจิตกันนะพวกเรานั่งดูจิตกันพวกเราก็ขัยับแข้งขยับขาปิดตาแล้วก็ก้มหัวหมุดออกเพื่อที่จะดูจิตแล้วก็พอเป็นในขั้นนี้เมื่อก่อนเราไม่รู้จักเนาะว่าการกระทาแบบนี้เป็นการจงใจเจตนาแล้วเราก็ทาด้วยความไม่รู้นึกว่าเราเป็นผู้ดูจิต แต่จริงๆมันยังไม่ใช่เรายังไม่ใช่การดูจิตที่ถูกต้องแต่เมื่อผ่านการฝึกได้ยินได้ฟังมารู้ว่าการที่เราขยับแข้งขยับขาเนี่ยจัดท่าเพื่อที่จะดูจิตน่ะตรงนั้นแหละเป็นความปรุงแต่งแล้วก็ใจเนี่ยสามารถรู้ได้แล้วว่าอ๋อมันมีพฤติกรรมของการปรุงแต่งทางกายอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีเจตนาจะดูจิตใจก็จะรู้ว่านี่ทาท่าเจตนาอีกแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้น การดูจิตการรู้ไม่ใช่การรู้อาการสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจนี่เนาะที่ถูกต้องจริงๆคือไม่มีการเจตนาไม่มีการเจตนาแต่ถ้าเจตนาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใจก็รู้เองว่าเจตนาแล้วตรงนี้พอมองเห็นแล้วยังว่าการดูจิตที่ถูกต้องกับไม่ถูกต้องมันต่างกันแต่ก็เมื่อฟังอย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่ามีตัวเราที่จะ ให้เราปฏิบัติอย่างถูกต้องมันก็ผิดอกีกถ้ามีตัวเราที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะว่ามันมีตัวเราเป็นผู้ปฏิบัติทีนี้ถ้าจะทำให้ไม่มีตัวเราทำยังไงก็คือในตรงนี้หลวงพ่อจะพูดต่อลงไปให้หรือว่าให้โยมถามกันก่อนถามในประเด็นที่หลวงพ่อพูดก่อนดีกว่าเนาะเออเพื่อจะได้ติดคัดฟังไม่ทันจะให้ถามก่อนได้ค่ะเชิญเลยนะคะ สวัสดีกูเข้ามาใหม่ด้วยนะคะเออยอมถ้า ม, มีโอกาสคุยมีโอกาสถามก็ดีนะเพราะว่ามันก็ได้ประโยชน์ทั้งตัวเราด้วยทั้งประโยชน์คนอื่นด้วยนะเพราะว่าธรรมะเนี่ยเมื่อฟังร่วมกันเนี่ยก็สามารถน้อมพิจารณาได้อเพราะหลายครั้งเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจากประสบการณ์นะบางทีเวลาครูบาอาจารย์ท่านอธิบายข้อธรรมให้คนอื่นเนี่ย ก็ฟังเขาด้วยเนี่ยทําให้เกิดปัญญามากมายเลยนะเพราะว่าระหว่างฟังเนี่ยก็ได้น้อมเข้ามาใส่ตัวด้วยว่าเราปฏิบัติแบบไหนเออปฏิบัติอย่างที่คนถามหรือเปล่าหรือปฏิบัติไม่เหมือนคนถามแต่พออาจารย์เฉลยอาจารย์ชี้บอกปั๊บเราจะรู้เลยว่ามันมีการผิดตรงไหนหรือถูกตรงไหนยังประมาณนี้เชิญนะ สวัสดีสสดค่ะคุณวัดกับนมัตการค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะพอดีในขณะที่พระอาจารย์ชี้พูดถึงเรื่องความมีตัวตนในการปฏิบัติอะเจ้าค่ะโยมกำลังทาอยู่คือโยมไม่สามารถนิ่งได้เพราะว่าถ้านิ่งแล้วจะหลุดเข้าไปแช่เพราะว่าจะมีความตั้งใจในการฟังธรรมมากเกินไปแล้วก็จะห ล, หลุดเข้าไปแช่โยมจึงดึงสภาวะนั้นไว้ด้วยการที่ขยับตัว หรือทรสิบสิทจังหวะตามที่ครูบาอาจารย์สอนอันนี้โยมกำลังมีตัวตนในการยืมมันไว้อยู่ใช่ไหมเจ้าคะ่ะการที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเนาะผู้ทีออ่อะไรนะมันอยู่ที่ปัญญาปัญญาก็คือว่าถ้าถ้ารู้เท่าทันว่าพฤติกรรมอย่างนั้น มันเป็นสังขาร น, นะมันเป็นสิ่งที่เกิดอย่างเนี้ยมันไม่เป็นตัวตนแต่ถ้ารู้ไม่ทันการที่ไปไปมีพฤติกรรมทำท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็จะไปยึดถือว่าเป็นตัวตนคือเรากระทําอย่างนั้นตรงนี้มันอยู่ที่ปัญญาเนาะอย่างอย่างโยมเนี่ยโยมได้ติดตามฟังมาเยอะแล้วละ่ะแต่ถ้าขณะใ ด, ดก็ตามเวลาลืมตัวคือหลงเนะ่เขาเรียกว่าหลงลืมแล้วก็ พอลงลืมเสร็จแล้วมันก็ไปไปคิดหรือไปหมายเอาว่าไอ้พฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยเราทําอีกแล้วเราทําอีกแล้วแต่ถ้ามีปัญญาก็จะรู้เลอว่ามันไม่ใช่เราทําแต่เป็นกิริยาท่าทางซึ่งเป็นเรื่องของความปรุงแต่งอาจจะเป็นส่วนของร่างกายที่ทําให้เกิดเคลื่อนไหวขึ้นมาพอร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยถ้ามีปัญญาก็จะรู้ว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่ตัวตนแต่มันเป็นรูปมันเป็นร่างกายมันไม่ใช่เราอแต่พอลืมเมื่อไหร่พอขยับปับ๊บ มันก็อาจจะนึกขึ้นว่าเฮ้ยเราขยับอีกแล้วนี่มันมีตัวตนอีกแล้วตรงเนี้คือรู้ไม่เท่าทันทั้งความคิดความคิดที่บอกว่าเรามีตัวตนอีกแล้วเราขยับอีกแล้วคือไม่รู้เท่าทันความคิดความคิดมันก็เป็นสังขารเนาะพอรู้ไม่ทันปั๊บมันก็หลงสังขารคือไปหลงยึดมาเป็นตัวเป็นตนแต่ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันว่ากิริยาการเคลื่อนไหวของกายมันก็คือกาย ความคิดที่กำลังคิดกำลังพูดกำลังบ่นในใจนะกำลังคิดนึกอะไรในใจก็แล้วแต่ก็รู้เท่าทันว่าอ๋อความคิดก็เป็นสังขารปรุงแต่งเป็นสิ่งที่เกิดพอรู้เท่าทันอย่างเนี้ยมันก็จะเห็นว่าความคิดก็ไม่ใช่เราแต่ถ้าเห็นไม่เท่าทานันแน่นอนโดยเฉพาะความคิดเนี่ยมันจะหลอกให้เป็นตัวตนเป็นเราอยู่เสมอนะเวลาทําอะไรก็แล้วแต่ความคิดเนี่ยมันจะออกหน้าแล้วมันจะอธิบายมันจะมันจะพูดจะคิดจะนึกอะไรก็แล้วแต่ ถ้ารู้ไม่เท่าทันความคิดเนี่ยความคิดซึ่งเป็นสังขาร น, นี่นะมันก็จะเข้าไปในความคิดแล้วก็เป็นตัวตนแบบไม่รู้ตัวเลยอ mm. เพราะฉะนั้นต้องมีสติปัญญารู้เท่าทันสังขารที่กําลังปรากฏเ mm. มื่อรู้เมื่อเห็นเท่าทันมันก็เพียงแต่สักแต่รู้ว่าอา๋อสิ่งนี้ปรากฏแล้วสิ่งนี้มีปฏิกิริยาแล้วสิ่งนี้มีการเคลื่อนไหวและมีการเกิดมีการดับลอย่างเนี้ยคือดับตัว ต, วตนดับตัวกูได้ก mm. ับสาธุเจ้าค่ะ ผู้ที่ถามแล้วขึ้นมาถามใหม่ก็ได้หรือจะคุยเพิ่มเติมกันก็ได้อาจจะเป็นประสบการณ์ว่าอ๋อเมื่อก่อนก็เคยเข้าใจผิดยังไงบัดนี้เข้าใจถูกอย่างนี้ให้อาจจะแสดงถึงความแตกต่างก็ได้ระหว่างตอนที่ยังไม่เกิดปัญญากับตอนที่เกิดปัญญาแล้วมันมีความต่างกันยังไงอันนี้มาแชร์เป็นประสบการณ์ก็ได้ค่ะเรนเชิญนะคะสวัสดีค่ะคุณปริวิสาค่ะ พอดีมีผู้เข้ามาตอนหลังเนาะคือวันนี้หลวงพ่อตั้งหัวข้อเรื่องก็คือใจแท้กับสิ่งเกิดดับในใจในตอนต้นหลวงพ่อกับคนกับคนที่เข้ามาก่อนๆ ก, ก็ได้พูดถึงสิ่งที่เกิดดับในใจแล้วทีนี้พวกเราน่าจะรู้จักกันได้ไม่ยากเนาะสิ่งที่เกิดดับในใจก็คืออารมณ์ต่างๆอ่ะที่มันเกิดในใจอ่ะ เช่นอารมณ์ที่เป็นเรียกว่าความความสุขความทุกข์ความเฉยเฉยความนิ่งนิ่งหรือความวิตกกังวลความไม่สบายใจความโกรธความโมโหอะไรต่างๆรวมถึงความคิดด้วยสิ่งเหล่านี้เกิดอยู่ในใจซึ่งทุกคนรู้จักอยู่แล้วและทีนี้ถ้าเราพิจารณานะสมมติว่ามันรู้ไม่ทันว่ามันเกิดดับยังไง ให้ทบทวนย้อนหลังก็ได้ทบทวนย้อนหลังก็คือว่าตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยสิ่งที่หมายถึงว่าอารมณ์เหล่าเนี้ที่มันเคยเกิดมาเนี่ยมันคงที่ไหมมันยังค้างอยู่ไหมหรือว่ามันเกิดแล้วอ๋อมันก็ดับไปแล้วแล้วมันก็เกิดใหม่แล้วมันก็ดับใหม่เนี่ยหลวงพ่อยกตัวอย่างเนี่ยถึงว่าตั้งแต่เกิดมานะตั้งแต่จําความได้เนี่ยถามว่าเคยกโกรธไหมทุกคนก็ตอบได้ว่าเคย อาแล้วเคยถามหลวงพ่อก็ถามว่าแล้วที่มันเคยโกรธเวลานอนหลับไปหรือเวลาคุยกับคนนู้นคนนี้เนี่ยความโกรธมันยังอยู่ไหมมันเคยดับไปแล้วไหมทุกคนก็จะตอบว่าอืมใช่บางทีมันก็ไม่มีความโกรธความโกรธหายไปแล้วก็หลังหลังจากนั้นมามันก็เคยเคยโกรธอีกแล้วก็มันก็ดับหายไปอีกแล้วก็เคยโกรธอีกตรงเนี้ให้โยมเข้าใจอย่างเนี้ยว่าอ๋อเนี่ยความโกรธมันเกิดแล้วก็ดับ ตรงนี้โยมก็จะเห็นสัจธรรมก็คือว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องดับอันนี้หลวงพ่อยกตัวอย่างแค่อารมณ์โกรธอารมณ์เดียวแต่ทีนี้ถ้าโยมจะขยายขยายผลก็คือลองไปเทียบกับอารมณ์อื่นๆมันก็ทํานองเดียวกันอารมณ์ความสุขนะสมมติว่ามีความสุขมากความสุขไม่ว่าจากการการได้ยินการกินการเที่ยวการอะไรก็แล้วแต่มันรู้สึกว่าเป็นสุขโยมก็ลองพิจารณาดูๆว่าไอ้สุขเหล่าเนี้ยมันเที่ยงไหมมันมันดับไหม ก็จะพบความจริงว่าเออเนาะมันไม่เคยมันไม่เคยเที่ยงแท้สักทีมันเกิดแล้วต่อมามันก็ดับหายไปมันเสื่อมไปมันมีอารมณ์อย่างอื่นเกิดขึ้นมาแทนความสุขอาจจะเป็นความทุกข์ก็ได้ตรงนี้จะเห็นเลยว่าอ๋อความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นพอความทุกข์ดับไปอาจจะมีความสุขเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันจะสลับแบบนี้แต่จริงๆสิ่งที่เกิดดับในใจนะมันมีมากมายนะมีอารมณ์ต่างๆมากมายมหาศาลมาก ทั้งที่รู้จักชื่อและก็ไม่รู้จักชื่อนะแต่ทีนี้แต่สามารถรู้ได้ว่าสิ่งนั้นมีหรือว่าสิ่งนั้นดับไปแล้วก็สามารถรู้ได้ตรงนี้หลวงพ่อก็กําลังอธิบายเรื่องเราเนี้ยว่าสิ่งเหล่าเนี้ยคือเป็นสิ่งที่เกิดดับในใจนะทีนี้เมื่อรู้จักสิ่งที่เกิดดับในใจแล้วเนี่ยต่อมาจะต้องทําความเข้าใจเรื่องใจว่าใจละ่ะมันคืออะไรละ่ะเพราะว่าเมื่อกี้กำลังพูดถึงสิ่งที่เกิดและก็สิ่งที่ดับ ในใจแสดงว่าสิ่งที่เกิดดับกับใจเนี่ยมันคนละตัวกันนะหลวงพ่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะว่าว่ามันต่างกันยังไงเอายกตัวอย่างสมมติว่ามีถาดใบหนึ่งนะมีถาดถาดพวกเรารู้จักเนาะตอนนี้ยังไม่ได้เอาผลไม้ยังไม่ได้เอาอะไรมาใส่ในถาดเลยแล้วก็ต่อมาเอาเอาลางาังสาดเอาลำไยเอาข้าวโพดเอาลิ้นจี่อะไรมาผลไม้เยอะแยะมากมายมาใส่ในถาด แล้วเมื่อใส่ในถาดเนี่ยแล้วก็ต่อมามีคนมาหยิบผ ล, ลไม้เหล่านี้ออกไปออกไปออกไปจนกระทั่งว่ามันเหลือแต่ถาดแต่ผ ล, ลไม้ไม่มีตรงนี้หลวงการหลวงพ่อต้องการชี้ให้เห็นว่าผ ล, ลไม้ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยกับถาดเนี่ยมันเป็นคนละสิ่งกันจะมีผ ล, ลไม้หรือไม่มีผ ล, ลไม้แต่ถาดก็ยังมีอยู่พอมีผ ล, ลไม้มาใส่ถาดก็มีทั้งผ ล, ลไม้และก็มีถาด พอเอาผ ล, ลไม้ออกไปผ ล, ลไม้ไม่มีมันก็จึงเหลือแต่ถาดทีนี้มาเทียบเคียงกับสิ่งที่เกิดดับในใจก็คือว่าสิ่งที่เกิดดับอุปมาเหมือนผลไม้นะมันมีแล้วก็มันไม่มีนะหรือว่ามีแล้วก็หมดอันเนี้ยอันนี้เหมือนกับผ ล, ลไม้